อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. ภิกษุไม่รู้สึกตัว 2. ภิกษุไม่ยินดี 3. ภิกษุวิกลตจริต 4. ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน 5. ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา 6. ภิกษุต้นบัญญัติสันธตะภาณวานจบ